หรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นดั่งใจเช่นสอบเข้าไม่ได้งานการล้มเหลวธุรกิจขาดทุนลถึงขั้นล้มละลายหรือว่าเจ็บป่วยหรือโรคร้ายหลายคนนะรืออาจจะลนท้องพวกเราเองด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่แฟรมันไม่ยุติธรรมเลย เพราะว่าสาตั้งใจเตรียมสอบอย่างดีหรือว่าตั้งใจทําธุรกิจด้วยความไม่ประมาทหรือว่าดูแลสุขภาพมาอย่างเต็มที่ทั้งออกกําลังกายทั้งคุมอาหารหรือบางคนจะรู้สึกว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ทําความดีสร้างบุญสร้างบุญศนมาทำไมถึงต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วย ไม่ลำพังเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทำให้ทุกข์อยู่แล้วนะเพราะมันไม่เป็นไปดังใจแต่พอเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บปวดเท่าไปใหญ่็ว่าเราถูกกลั่นแกล้งตกเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมที่จริงไอ ความเป็นธรรมความยุติธรรมเนี่ยหรือว่าความแฟนเนี่ยมันก็เป็นกฎเป็น ก, นกติกาที่มนุษย์เราสร้างขึ้นและแล้วก็ตามที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมมีข้อจากัดมีความผิดพลาดยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้ามองในแง่หนึ่งนะเรื่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยคือถ้าไม่มีเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็ย่อมไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าขึ้นถึงแม้จะทำความดีมามากเพียงใดแต่ความดีที่เราทำมันก็เป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่ง ทาการเหตุปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นเจ็บป่วยธุรกิจล้มล้มละลายหรือว่าสอบข้าไม่ได้สอบตกเหตุปัจจัยมันเยอะจนหมดนะไอความเพียรความพยายามความตั้งใจของเรามันก็เป็นแค่หนึ่งในบรรดาเหตุปัจจัยมากมายซึ่ง มันก็ล้วนแต่พาไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวหรือทำให้เกิดการลงเอยไปในลักษณะนั้นพอใน น, นนี้มันก็ถูกต้องแล้วตามกฎธรรมชาติความยุติธรรมนี่มันเป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่ามันยังมีอีกกฎหนึ่งคือกฎธรรมชาติซึ่งมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของใคร แล้วก็มันอาจจะลงเอยที่ไม่ถูกใจผู้คนหรือไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดเพราะเหตุปัจจัยมีมากมายมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราอย่างเดียวกฎธรรมชาตินี่ ธรร ม, มเรียกว่าธรรมนิยามนะธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติซึ่งมีหลายกฎที่ประกอบกันกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามก็เป็นกฎหนึ่งแต่ว่ามันก็มีอีกหลายกฎนะเช่นอุตุนิยามคือกฎที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศสิ่งแาดล้อม ผีชนิยามกดที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยนะที่ชายและอุจตูเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของมนุษย์ล้วนๆนะบางทีเราพยายามสร้างสร้างกรรมคือการกระทำมากมายเพียงใดแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะไปหักล้างหรือเบี่ยงเบน เหตุปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านดินฟาอากาศหรือทางด้านชีวิตนะที่เรียกว่าอุตุนิยามหรือว่าปีชันนิยามได้และเนื่องจากเหตุปัจจัยเนี่ยที่มันพาไปสู่เหตุการณ์ต่างๆเช่นความเจ็บป่วยความสูญเสียทรัพย์สิน หรือแม้่ต่ความตายนะของใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนดีแต่ก็ต้องเสียชีวิตแต่ยังเล็กนะอันนี้มันก็ถ้ามองในองค์ของกฎธรรมชาติเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราและความถูกต้องนี้ก็หมายความว่ามันมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมทำให้เป็นอย่างนั้น ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ให้ทั่วถึงว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างเป็นทำไมคนที่ทำความดีจึงตายตั้งแต่อายุยังน้อยสมัยก่อนก็มองว่าเป็นเพราะกรรมหรือการกระทำในอดีตชาตินั่นก็อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่า น, นั้นที่เราไม่รู้ แต่มันต้องมีแน่แน่นะพนเพราะในงานนี้มันไม่สามารถทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เพราะพุทธศาสนามองว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมีเหตุนี้จึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอันนี้เรียกอิทัิปัจจยตาพอสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี แต่เราไม่รู้ว่าอผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างซึ่งมีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าในสายตาของเราหรือสายตาของมนุษย์มองว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมมันไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้ามองในแง่ของกฎธรรมชาติมันถูกต้องแล้วแหละตอนนี้พูดถึงกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยคือความยุติธรรมความแฟร์ความ ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทัศนกติของผู้คนด้วยซึ่งมีขีดจำกัดอย่างสมัยหนึ่งเนี่ยในประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยมาตั้งสองร้อยปีแล้วเนี่ยช่วงแรกๆนี่คนที่จะมีสิทธิเลือกตั้งได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีทรัพย์สินนะหรืออ่านออกเขียนได้ ไปที่ไม่มีทรพย์สิหรือมีน้อยแต่ไม่มีแถมยังอ่านออกเข็นไม่ได้นี่อ่านไม่ออกเข็นไม่ได้นี่ไม่มีสิทธินะน่าจะเป็นคนขาวไม่ต้องพูดถึงคนดำก็ถือว่ามันเป็นธรรมแล้วเช่นเดียวกันผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ก็ถือว่ามันยุติธรรมแล้วเพราะผู้หญิงไม่มีสติปัญญา พอที่จะตัดสินได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในเรื่องที่เป็นเรื่องของประเทศชาติหรือส่วนรวมเช่นเดียวกับคนที่มีไม่มีทรัพย์สินอ่านออกเขียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พวกนี้เขาจะมาตัดสินมีอำนาจในการตัดสินเกี่ยวความเป็นไปของส่วนรวมได้อย่างไรเพราะว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นความยุติธรรมนะ เมื่อสองรปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันตายเป็นความอายุติธรรมไปซะแนละ้วอันนี้เพราะวาความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเปนกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันย่อมมีความผิดพลาดไย่ว่าแต่ความยุติธรรมในความเห็นของคนหมู่มากหรือตามมาติของสังคมเลยนะความยุติธรรมความแฟ ในความเป็นของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเที่ยงธรรมเสมอไปเพราะบางทีมันก็เจอกับยาอคติหรือว่าเตือไปด้วยการเองนเอียงเข้าตัวเองอางเช่นมีคนหนึ่งเนี่ยติดเหล้ามากกินเหล้าเรียกว่าวันนึงนี่ก็มากทีเดียวแล้ว กินเหล้ามานานสิบยี่สสามสิปีจนกระทั่งเลือดนี่ไม่แข็งตัวตอนที่ป่วยหนัวนี่เลือดนี่มันก็ซึมตามข้อใต้ผิวหนังอยู่ในระยะสุดท้ายแต่เจ้าตัวนี่ก็ครวญครางนะมันไม่แฟเลยมันไม่ไดีทำเลยทุกครั้งที่ฉันกินเหล้า ฉันเติมน้าให้มันเจอจางเสมอแล้วทำไมยังเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยนี่ขนาดกินเหล้าทุกวันก็ยังบอกไม่แฟรล้ลนะที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะตายเพราะโรคร้ายที่อขาไม่แฟ์เพราะว่าก็อุตสาห์เติมน้ามันเจอจางอยู่ทุกครั้งเนี่ยแล้วทำไมยังเป็นโรคนี้อีกเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็น เป็นอคตินคือเอเอียงเข้าตัวเองผู้ใหญ่ก็ือว่าอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ถือว่าไม่ยุติธรรมคนเวลามองว่านี่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยที่จริงมันเป็นเพราะไม่ถูกใจมากกว่าแต่ไปอ้างว่ามันไม่ถูกต้องไปอ้างว่ามันไม่ยุติธรรม อย่างคนตัวไม่น้อยเนี่ยเวลาได้โบนัสเนี่ยโบนัสสิ้นปีเนี่ยถ้าได้น้อยกว่าเพื่อนร่วมงานนะ ก, จก็จะว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ถูกต้องมันไม่แฟร์แต่ถ้าตัวเองได้มากกว่านะถ้าตัวเองไ ด, ได้โบนัสมากกว่าคนอื่นนะลืมไปเลยนะเงียบเลยนะไม่มีการบ่นว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์ ในตอนที่บนว่ามันไม่แฟร์ <catalyst. S 1> มันไม่ยุติธรรมเนี่ยเพราะว่าตัวเองได้น้อยแต่พอตัวเองได้มากกว่าคนอื่นก็ลืมไปเลยเพราะอะเพราะมันถูกใจเนีไยได้มากกว่าคนอื่นมันถูกใจได้น้อยกว่าคนอื่นมันไม่ถูกใจอะไรที่ไม่ถูกใจก็มองว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมอะไรที่มันถูกใจก็ถือว่าแฟร์แล้วถือว่ายุติธรรมแล้วถือว่าถูกต้องแล้ว วันนี้เนี่ยเวลาเราไปบอกว่าไม่ยุติ่รรมไม่ยุติธรเนี่ยบางทีมันเป็นความเห็นที่ไม่ว่าเจอไปด้วยกิ่หลกก็ได้นักโทษหลายคนนะถูกตัดสินจําคุกก็บอกไม่ยุติธทําเลยเพราะฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้ทําผิดเลยก็อาจะจริงนะไม่ได้ทําผิด แต่ก็มีหลายคดีที่ตัวเองทำนะแต่ว่าตำรวจจับไม่ได้ลอยนวลไปไอ้ตรงนี้เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์ตรงไหนเลยนะตัวเองทำผิดแต่ว่าลอยนวลตำรวจไม่จับเพราะหาหลักฐานไม่ได้ไม่เคยบอกเลยว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธมแต่ว่าอะไรที่ตัเองเวลาตัวเองถูกจับ ในคดีที่เตียงไม่ได้ทําก็บอกมันไม่แฟร์จริงๆมันก็ก็คือความไม่ถูกใจนั่นแหละอะไรที่ถูกใจเราก็มองว่ามันแฟร์มันยุติธรรมมันถูกต้องแล้วและนี่เราก็ต้องนะต้องระมัดระวังให้ดีนะใ้เวลาเราบ่นตีโพยตีพายว่ามันไม่แฟร์มันไม่ถูกต้องเนี่ย จริงๆเป็นเพราะว่ามันไม่ถูกใจเรามากกว่าใช่ไหมอีกประการหนึ่คือว่าไม่ว่ามันจะแฟไม่แฟถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยเรามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราบว่นวอยวยีตีพลตีภา ย, ยมันยิ่งซ้ำเติมตัวเองนะสิ่งที่เราต้องยอมรับคือว่า โลงนี้มันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรือสมบูรณ์พร้อมถ้าเราปรารถนาความถูกต้องความยุติธรรมในทุกเรื่องเราก็าจะาเป็นทุกได้ง่ายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งก็ต้องเจอกับความไม่ถูกต้องเจอความไม่ยุติธรรมเจอความไม่แฟร์เพราะว่า คนอ่นเขาก็ไม่เหมือนเราเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่ถูกต้องหรือความไม่ยุติธรรมในโลกนี้ให้ได้ด้วยโค้ดออสนะถึโ ค, นะโค้ทีมบอลเลวอลเลตบอลหญิงทีมชาติหญิงเกียรติพงศ์เป็นวิธีการสอนนักวอลเลตบอลทีมชาตินีนะ้ที่น่าสนใจนะ คือบางครั้งเนี่ยก็ให้ทีม A กับทีม B เนี่ยมามาเล่นตัวเล็กบอลเป็นการซ้อมตัวโค้ e อ้อยก็เป็นกรรมการไอ้การซ้อมแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะระหว่างทีม A กับทีม B บ, บางครั้งเนี่ยทีม A เนี่ยจบออกนะโค้ดออยเป็นกรรมการก็กบอกว่าลูกดี ทีม B ก็โมโหไม่พอใจบางคราวทีม A ตอบดีโค้ชก็บอกว่าลูกออกทีม A ก็ไม่พอใจจะเป็นอย่างนี้หลายครั้งนะพอแข่งจบนี่นักกีฬาก็มาโวยวายใส่โค้ดนอด ว่าทำไมตัดสินอย่างนี้ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์เลยครวเราก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นความตั้งใจเลยนะเพื่อให้พวกเธอได้เลยรู้ว่าเนี่ยในเวลาแข่งจริงๆเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้แนละ้เจอการตัดสินที่ผิดของกรรมการซึ่งสับหลายคนก็เชื่อมนไม่ถูกต้องมันไม่แฟร์แต่ถ้านกกีฬาเนี่ย ยอมรับไม่ได้หัวเสียโมโหเนี่ยคุมอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยก็จะยิ่งตีผิดตีพลาดเพราะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของโคจะต้องสอนให้นักกีฬาเนี่ยรู้ว่าไอ้การตัดสินผิดพลาดของกรรมการนี่เป็นเรื่องธรรมดาไอ้ความไม่แฟร์ความไม่ยิธรรมของกรรมการนี่เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น เพราะนี่คือธรรมดาของเกมกีฬาแต่นี่เมื่อมันเกิดขึ้นเราจะทําใจอย่างไงต้องฝึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะถึงเวลาถ้าไม่ฝึกเอาไว้พอถึงเวลาลงสนามจริงนี่ก็จะจะหัวเสียผิดพลาดหัวเสียแล้วก็ตีผิดตีพลาดแล้วก็แพ้ได้ไง่ายๆอันนี้เป็นวิชานะเป็นวิชาที่สําคัญนะของนักกีฬาก็คือรู้ว่า นักว่าความไม่แฟรความไม่ยุธรรมเป็นธรรมดาของเกมกีฬาทั้งที่มันมีกฎกติกาชัดเจนที่จริงนะกติกาของชีวิตของโลกมก็เหมือนกันนะก็คือ ท, ท, ทั้งที่เราคิดว่ามันควรจะมีความยุติธรรมมีความถูกต้องแต่เอาความจริงเนี่ยมันก็จะเต็มไปได้วยความไม่ถูกต้อง ความไม่ทุธรรมอาจจะไม่ใช่ในสองคมอย่างเดียวแต่รวมถึงในชีวิตของเราด้วยต้องเจอกับสิ่งที่มันมันไม่ควรจะเกิดเพราะมันไม่ถูกต้องแต่นี่คือสิ่งที่เราห้ามไม่ได้คำถามเพื่อเราจะรับมือกับมันอย่างไรเนะก็ต้องรู้จักเนี่ยเวลาเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยจากคนนอนคนนี้หรือจากเหตุการณ์ภายนอกเนี่ย อย่างแรกที่ต้องทำคือทำใจของตัวให้ถูกต้องซะก่อนถูกต้องในที่นี้คือปกติไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายยอมรับมันให้ได้ซึ่งคือต้องมีสตินะมีสติเสียคะแนนไปแล้วนะก็จะไปหัวเสียตามด้วยเพราะถ้าหัวเสียนี่ก็ยิ่งจะเสียหนักเข้าไปอยู่เสียคะแนนเพราะกรรมการตัดสินผิดนะมันก็แย่พอแรงอยู่แล้วถ้าหัวเสียด้วย ยิ่งพาเข้าลกเข้าพงไม่เงี้ยเช่นเดียวกันนะเสียทรัพย์เพราะว่ามีคนเอาไปหรือถูกโกงหรือเพราะความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มันเสียแท่ทรัพย์นะแต่ว่าอย่าหัวเสียอย่าใจเสียด้วยเพราะไม่งั้นนี่ก็จะเป็นการเพิ่มทุกข์เป็นการซ้ํำเติมกับตัวเองก็ต้องยอมรับให้ได้ว่า น, นี่คือธรรมดาของโลกเพราะโลกนี่มันไม่ โลงนี้เนี่ยมาไม่สมบูรณ์พร้อมที่จริงก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อมมันนะล้วนต้องชีวิตของเราด้วยเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะคาดหวังว่ามันจะราบรื่นนะเหมือนถนนแปดเลนหรือราบรื่นมันก็โปรโยด้วยปีกูลาแม้เราจะพยายามอย่างไรดูแลรักษาสุขภาพดีอย่างไรทําความดีเพียงใดก็จจะเจอเหตุร้ายขึ้นได้ เพราะมันไม่สมบูรณ์พร้อมและเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่เราคุมไม่ได้ดูแลสุขภาพดีแล้วจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีมลพิษมีพ m เอมสองจุห้ายืดเยื้อเรือรังเป็นปีหรือมีสารเคมีมากมายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพีชานิยามอุตุนิยามซึ่งเราคุมไม่ได้ก็ ยอมจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็หาทางแก้ไขหรือบรรเทาไม่ใช่บน่นววยวายตีโพว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ยิ่งันนั้นคือว่ารู้จักหาประโยชน์จากมันหาประโยชน์จากมันให้ได้เวลาเราจเจริญสติไง ทำกรรมฐานเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่อาจจะดูเหมือนไม่ถูกต้องนะหรือไม่สมควรเกิดขึ้นเช่นอารมณ์บางอย่างเนี่ยนะความโกรธความอิจฉาความพยาบาทไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติหรือว่า ก, การจลสติเนี่ย เราจะไม่ตัดสินนะว่ามันไม่ควรเกิดมันไม่ดีถึงแม้มา จ, จะไม่ควรนะแต่ว่าที่มันเกิดมาถูกต้องแล้วเพราะตากใดที่ยั ง, ยงมีกิเลสอยู่ยังมีการฝึกจิต ท, ที่ไม่เข้มแข็งเพีย ง, งพอมีอะไรมากระทบมันก็ต้องเกิดอารมณ์ขึ้นมา ไอ้ความกลัวความบิดาาความพยาบาทความโลภเนี่ยมันอาจจะดูไม่ถูกต้องในสายตาของเราแต่มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่ถ้าที่เรายังมีกิเลสยังมีความหลงยังฝึกตนมาน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์พวกนี้แหละมันปปวยการที่เราจะวยวามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยทำไมฉันปฏิบัติต้องนานยังฟุ้งอยู่ยัง หรือว่าฉันทําความดีมาต้องมากมายทําไมยังมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นมันไม่แฟร์ไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องในสายตาของเราแต่มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่ของเราคือว่าปฏิบัติกรรมันอย่างถูกต้องถ้าเราปฏิบัติกรรมนอย่างถูกต้องนี่นอกจากมันจะทําให้เราไม่ทุกข์แล้วเรายังได้ประโยชน์จากมันด้วยอย่างที่หลวงพ่อคาเขียนนะผู้วันนี้ ไอ้ความโกรธมันก็มีค่านะไอ้ความเกลียดมันก็มีค่านะานานะถ้าเราปฏิบัติกับมนอย่างถูกต้องก็จะทำกรบมนีอย่างถูกต้องทำอย่างไรนะก็แค่รับรู้หรือรู้ทันมันแบบรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้โดยไม่ตัดสินนะว่าแบบนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีไม่มีการตัดสินว่าดีไม่ดีความโกรธความเกลียดความพยาบาท ปัญหาราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองหรือรับรู้กับรับรู้มันด้วยสติเนี่ยแบบว่ารู้เฉยเฉยรู้สื่อๆ่อเนี่ยมันไม่มีการตัดสินให้ค่านะว่าดีไม่ดีควรไม่ควรเท่านี้เนี่ยมันก็ทำให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมาครองใจเราได้ยากแต่ยิ่งกนั้นคือว่าเราสามารถจะเห็นประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากมันด้วย แล้วประโยชน์จากมันทนั้งในแง่ที่ว่ามันมาฝึกให้เรามีสติรู้ทัน ส, สติเราจะว่องไวปราดเพลียก็เพราะมีอารมณ์พวกนี้แนะ่ะโผล่เข้ามามาฝึกฝนและต่อไปมันก็จะแสดงทำแสดงสัจธรรมให้เราเห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ได้เห็นจากไหนแล้วนะก็เห็นจากอารมณ์อกุศลเหล่านี้แหละรวมทั้งเห็นจาก เวทนาฝ่ายลบคือทุกขเวทนาว่ามันไม่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะในสายตาของบางคนแต่ว่ามันถูกต้องแล้วที่มันเกิดและถ้าเราวางจใจถูกต้องนะเราก็ได้ประโยชน์จากมันด้วยอาศัยมันเป็นเครื่องฝึกจิตให้มีสติอาศัยมันเป็นเครื่องสอนธรรมให้ใจเกิดปัญญาในความแน่นอนนะในความไม่ถูกต้องในโลกเราก็ต้องพยายามทาให้มัน ดีขึ้นเรื่อยๆมีความถูกต้องมีความวิสิยธรรมมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นเรื่องการทำกิจแต่ก็ไม่ทิ้งการทำจิตนะเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเกิดขึ้นกับสิ่งรอบตัวของเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องทรัพย์สินร่างกายคนรักหรือเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเราก็ไม่ พัวแต่บน่นวอยวายตีโพยตีพะว่าไม่จริงไม่ถูกต้องไม่แฟร์แต่เราจะเรียนรู้จากมันและใช้มันให้เกิดประโยชน์โดยที่รักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ด้วย